สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามทุกคนรู้อยู่ว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายแต่เมื่อตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่อันนี้เป็นปัญหาทุกคนสงสัยและอยากจะรู้ด้วยกันทั้งสิ้นอันที่จริงปัญหานี้เข้าใจไม่ยากถ้าหากเข้าใจเรื่องความฝันดังที่ได้กล่าวมาแล้วเราจะเห็นว่าการตายและเกิดเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกับนอนหลับและฝันนั่นเอง เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ควรจะมองข้ามโดยเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระขอให้สังเกตว่าศาสนาต่างๆในโลกนี้ล้วนแต่สอนที่เชื่อว่าคนเราตายแล้วจะต้องเกิดคือตายแล้วไม่สูญโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธสอนว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอคนอาจจะเกิดเป็นสัตว์และสัตว์ก็อาจจะเกิดเป็นคนได้ชีวิตของคนเรา ได้เวียนว่าวตายเกิดมานานแล้วนับชาติไม่ทวนดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสว่าในที่นี้ท่านยกบาลีอักษรไทยที่เป็นภาษามคตมาทั้งหมดขออา่านเฉพาะคำแปลไทยนะครับเราได้สอดสวงหามานานแล้วว่าใครหนอเป็นผู้สร้างเรือนคืออัตภาพของเรานี้แต่ไม่พบจึงได้ท่องเที่ยวไปสู่สังสารวัรนับชาติไม่ทวน การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์นี่เนะ่ะนายช่างผู้สร้างเรือนบัด น, นี้เราได้เห็นเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้กับเราอีกไม่ได้เพราะสีโครงของเจ้าเราก็ได้หักหมดแล้วศีสากของเจ้าเราก็ได้ทำลายแล้วจิตของเราที่เข้าถึงวิสังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปแล้วเพราะได้เข้าถึงความสิ้นไปแห่งตันหาแล้ว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 ความอยากความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆความอยากอันนี้จะสงบได้จริงๆก็ต่อเมื่อเข้าสมาธิได้จนกระทั่งมีองฌานเกิดขึ้นกล่าวคือสามารถจะนึกและคิดอยู่ในเรื่องงเดียวได้อย่างอิสระโดยไม่มีความคิดอย่างอื่นที่ไม่ต้องการแทรกเข้ามาได้เลยและในเวลาเดียวกันภายในจิตใจก็มีปิติและสุขเกิดขึ้นถ้าหากผู้ใดสามารถเข้าสมาธิได้อย่างนี้ ก็แปลว่าในขณะนั้นกามตัญหาสงบกล่าวคือในจิตสำนึกไม่มีกามตัญหาเหลืออยู่เลยแต่ยังคงมีอยู่ในจิตไร้สำนึกและที่มันไม่มีก็เพราะในขณะที่เข้าสมาธิอยู่นั้นมันไม่ฟุ้งซ่านขึ้นมาเหมือนกับน้ำสกปรกที่เราเอามาใส่ขวดตั้งทิ้งไว้นานๆในที่สุดสิ่งสกปรกต่างๆก็จะนอนจมก้นขวดส่วนน้าข้างบนใส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 แต่แล้วก็ทําไม่ได้เพราะความคิดต่างๆยังคงสอดแทรกเกิดอยู่เสมอก็แปลว่าความปรารถนาที่มีอยู่ในขณะนั้นแม้จะเป็นไปในทางที่ดีก็คือตัณหานั่นเองโปรดจำให้ดีว่าถ้าตัณหายังมีอยู่ใจจะสงบไม่ได้บางคนชอบคิดในทางอากุศลบังคับควบคุมความนึกคิดอันนี้ไม่ได้ นั่นเป็นราะมีตัณหาในทางชั่วส่วนบางคนซึ่งมีความคิดฟุง้งซ่านอยากจะทำนั่นทำนี่หรืออยากจะได้อันนั้นอันนี้ซึ่งทุกอย่างที่อยากได้หรืออยากเป็นก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีคนที่ฟุ้งซ่านแบบนี้ซึ่งควบคุมความนึกคิดไม่ได้แม้จะคิดในทางที่ดีก็ตามความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดความนึกคิดเหล่านี้ก็เป็นตัณหาอีกเหมือนกัน ส่วนผู้ที่ไม่มีตัณหาอยู่ในใจเลยนั้นใจจะสงบและเป็นอิสระอยู่เสมอทุกขณะจิตแต่ผู้ที่จะไม่มีตัณหาในสันดา์เลยก็มีแต่พระอระหันต์เท่านั้นขอให้สังเกตว่าตราบใดที่เรายังมีตัณหาอยู่ในสันดาลความรู้สึกนึกคิดจะไม่มีวันหยุดนิ่งได้เลยเป็นอันขาดเราจะไม่สามารถทำใจให้ว่างจากความรู้สึกนึกคิดได้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 ผู้ที่นอนหลับไม่ฝันเลยมีบุคคลอยู่ประเภทเดียวเท่านั้นคือพระอระหันต์ทั้งนี้ก็เพราะมีกฎอยู่ว่าเมื่อมีตัณหาก็ต้องมีวิญญาณตราบใดที่ตัณหายังมีอยู่ความรู้สึกนึกคิดจะต้องมีอยู่เสมอคือดับแล้วก็เกิดอีกสืบต่ออยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายเปรียบเสมือนกับเปลวไฟที่ลุกโผล่อยู่เสมอซึ่งหมายความว่า ในเมื่อปัจจัยต่างๆที่ทําให้เปลวไฟลุกยังคงมีอยู่เช่นไฟตะเกียงในเมื่อทรายยังมีอยู่น้ํามันก็ยังมีอยู่ปัจจัยที่ทําให้เกิดการลุกใหม่คือออกซิเจนก็ยังมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เปลวไฟก็จะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆทั้งๆที่เปลวไฟมีการเกิดดับและเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาคือเมื่อดับแล้วมันก็เกิดอีกแต่ตอนที่มันดับ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 ทั้งนี้ก็เพราะตัณหายังมีอยู่และโดยกฎธรรมดาเมื่อวิญญาณเกิดคือความรู้สึกนึกคิดเกิดก็จะต้องมีนามรูปเกิดซึ่งคำว่ารูปในที่นี้จะหมายถึงโนภาพก็ได้จะหมายถึงพฤติกรรมต่างๆก็ได้หมายถึงร่างกายก็ได้เพราะคำว่ารูปในทางพุทธศาสนามีความหมายกว้างมากและอีกอย่างหนึ่ง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 ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตันหาเป็นตัวนายช่างที่สร้างเรือนคืออันตรภาพของเราขอให้พยายามพิจารณาให้ซึ้งว่าแม้แต่ในขณะที่เรายัางอยู่ในท้องแม่เราก็มีความรู้สึกนึกคิดตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิแล้วเพราะถ้าความรู้สึกนึกคิดไม่มีร่างกายจะมีชีวิตแล ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้ อย่าลืมว่าสิ่งใดถ้าเกิดขึ้นมาอย่างมีความหมายก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นเกิดมาจากวิญญาณและวิญญาณจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยตนหาและเมื่อวิญญาณเกิดนามรูปก็จะต้องเกิดเพราะฉะนั้นแม้เราทุกคนจะจำไม่ได้เลยว่าในขณะที่อยู่ในท้องแม่เรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็อย่าเข้าใจผิดว่า ในตอนนั้นเราไม่มีความรู้สึกเนื้อคิดข้อนี้โปรดพิจารณาให้ละเอียดบางคนเมื่อนอนหลับแล้วฝันแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วจาได้เดียวเดียวรันแล้วก็เลิมอย่างนี้ก็มีแต่บางคนเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจำความฝันไม่ได้เลยก็มีทั้งนี้เป็นเพราะสมองกล่าวคือถ้าสมองยังไม่เจริญหรือสมองเสื่อมแล้วหรือสมองยังอยู่ในขั้นต่ามาก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 ครั้งแรกมโนภาพจะเกิดขึ้นก่อนซึ่งเริ่มต้นจากมโนภาพที่ไม่มีชีวิตจึงกระทั่งถึงขั้นที่มีชีวิตโปรดพิจารณาให้ดีในขณะที่เรานอนหลับและฝันนั้นเราจะพบว่าในความฝันมีตัวตนมีการเห็นการได้ยินมีความรู้สึกนึกคิดซึ่งทั้งหมดที่ว่านี้ก็เกิดมาจากวิญญาณขอให้สังเกตว่า วิญญาณสามารถเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเองคือเกิดขึ้นมาจากตัณหาที่มีอยู่ในตัวของมันอย่าเข้าใจผิดว่าวิญญาณจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อต้องอาศัยร่างกายเท่านั้นเพราะถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็จะมองไม่เห็นว่าเมื่อร่างกายนี้ตายตาหูจมูกลิ้นประสาทต่ตางๆซึ่งรวมทั้งสมองใช้การไม่ได้แล้ววิญญาณจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร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 แล้วก็ขอให้สังเกตว่าถ้าวิญ ญ, ญ, ญ, ญ, ญ, ญ, ญาณยังเกาะเกี่ยวอยู่กับร่างกายมากภาพในความฝันก็ไม่ชัดและสำหรับคนที่จูนจะตายซึ่งประสาทต่างๆค่อยๆหมดประสิทธิภาพไปโดยลำดับแต่โตตนในความฝันกลับมีความเข้มข้นมากขึ้นและเริ่มมีชีวิตซึ่งรวมทั้งมีประสาทต่างๆเกิดขึ้นด้วยและใช้การได้ด้วยจากข้อเท็จจริงอันนี้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 และวิญญาณก็สามารถที่จะสร้างร่างกายขึ้นมาได้เสมอจากคาอธิบายซึ่งได้พยายามทำให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังกล่าวมานี้จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าตันหาเป็นเหมือนหนึ่งในช่างผู้สร้างเรือนเพราะถ้าตันหาไม่มีกล่าวคือความอยากที่จะมีชีวิตมีตัวตนความอยากที่จะเห็นหรือได้ยินสิ่งต่างๆอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่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 เราะการตายแล้วเกิดนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเช่นเดียวกับเมื่อเรานอนหลับแล้วก็ต้องฝันการที่จะไม่ฝันนั้นไม่มีอย่างแน่นอนหมาเหตุผู้อ่านแต่ก็มีคนอีกจํานวนมากนะครับที่ฝันทุกวันฝันเยอะด้วยแต่จําไม่ได้แล้วมากคิดว่าตัวเองนอนหลับแล้วไม่ฝันคนที่หลับแล้วไม่ฝันนั้น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 มาเหตุผู้อ่านอาจจะมีบางคนค้านว่าหลายคนก็ไม่อยากเกิดเช่นกันเช่นพวกที่ฆ่าตัวตายไป น, นั้นก็ไม่กลัวตายที่อยากฆ่าตัวตายก็เพราะอยากหายไปไม่อยากมีตัวตนอีกแล้วในแง่นี้ก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นแค่ความอยากคือความอยากหนีทุกตราบใดที่ยังมีความอยากก็แสดงว่ามีตัณหาตราบใดที่มีตัณหา ก็แสดงว่ายังอยากมีชีวิตนะครับเพียงแต่ที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายหรืออยากจะหายไปนั้นก็เพียงเพราะไม่ได้อย่างใจไม่ได้สุขอย่างที่ต้องการสุดท้ายแล้วก็ยังอยากมีความสุขซึ่งความอยากตายนั้นก็เป็นเพียงความอยากแค่ชั่วคราวความอยากมีชีวิตอยากได้ดีมีสุขก็ยังคงมีอยู่ในระดับจิตได้สำนึกและมีมากอย่างเข้มข้นด้วยนะครับ และความอยากเหล่านี้นั่นเองที่จะต้องนำพาให้ไปเกิดใหม่ได้มีอัตภาพใหม่ในภพใหม่ต่อไปเหมือนเรื่องง่ายๆแค่ความอยากกินอาหารนะครับตราบใดยังละความอยากไม่ได้จิตก็จะไปสร้างร่างกายหรือนำพาไปอยู่ในภพที่มีการกินให้สมความต้องการนั้นแต่จะได้อยู่ในภพไหนบราณีดเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับวิบากคือความดีความชั่วที่สะสมไว้ที่จะนำพาไปเกิด ในสภาพแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับวิบากของตอนเองนั่นเองขอเดียโปรดจำหลักไว้อย่างหนึ่งว่าพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันเป็นต้นซึ่งเป็นผู้ที่ละตันหาได้มากและละได้อย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะคือตันหาในขั้นหยาบซึ่งเป็นตันหาที่จะนำไปสู่อบายภูมิทันละได้หมดก็จริง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 คนคนนั้นก็ยอมจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากระดูกสี่โครงของเจ้าทั้งหมดเราก็หักหมดแล้วศีรษะของเจ้าเราก็ตัดออกแล้วอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าตันหาซึ่งเปรียบเหมือนนายช่างผู้สร้างเรือนนั้นแบบ น, นี้ได้ถึงแก่ความตายแล้วเพราะฉะนั้นตันหาจะสร้างเรือน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 ถ้าหากอาวิชชาและอุปาทานไม่มีตัณหาย่อมมีไม่ได้คำว่าจิตของเราได้เข้าถึงวิสังขารคำว่าวิสังขารในที่นี้หมายถึงนิพพานคำว่าวิสังขารตามศั์แปลว่าสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งถ้าตัณหายังมีอยู่ในสันดานจิตย่อมไม่เป็นอิสระ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 ความรู้สึกต่อสิ่งภายนอกไม่มีเลยเรื่องเล่าใดๆเช่นเสียงแม้จะดังขนาดฟ้าผ่าก็ไม่ได้ยินใครจะมาจับตัวเขยา่าหรือทำอย่างไรก็ไม่รู้สึกแต่ถึงกระนั้นถ้าหากผู้ที่ได้ฌานนี้ยังละตัณหาไม่ได้ความรู้สึกภายในก็จะต้องมีเหลืออยู่ความกดดันก็ยังมีอยู่แปลว่ายังไม่ได้ดับสนิท คำว่าเนวสัญญานาสัญญาตามสับแปลว่าจะมีความรู้สึกก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในฌานนี้คล้ายกับผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปฝึกและทรงได้ฌานขั้นนี้มาจากท่านอุทธกาตดาบทแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าฌานนี้ยังไม่เป็นทางให้ถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดยังช่วยให้เกิดสัพพัญญุตยานไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงได้ลาออกจากสำนักนี้เพราะที่สำนักนี้สอนได้เพียงแค่นี้ต่อจากนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนกระทั่งในที่สุดได้ทรงรู้แจ้งเรื่องปฏิจจสมุปบาททรงรู้แจ้งอริยสัจและทรงละตัญหาได้สิ้นเชิงทรงบรรลุถึงสัพพัญยุตยานซึ่งแปลว่ายานที่ทาให้รู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงและจิตใจของพระองค์ก็เป็นอิสระอย่างเต็มที่ เพราะเหตุนี้พระองค์จึงได้ตรัสว่าบัดนี้จิตของเราได้เข้าถึงวิสังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปแล้วเราได้บรรลุถึงความสิ้นไปแห่งตันหา